เรื่องปวดฉนวนระเบิดตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขรมหน่วยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการจุบังเกิดมีแด่ญาจโจมพุทธบริษัท ผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทางหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกค น, นโอกาสนี้เชื่อเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทางหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นถ้อยคําที่ประกอบไปด้วยคำในคำสังซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ท่านตังหลายผู้ใกล้ทมตัางหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังครันน้งนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศราสนาเสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาทจะพึงมีในวันนี้ สำรับหัวข้อธําที่จะนํามากล่าวในปาตกรทาธรรมสำรันนี้ขอให้หัวข้อที่มีชื่อว่าปดชนวนระเบิดของสังคมท่าหนหลายฟังแล้วจะต้องอกต้องแกวาดเสียวหือหวาว่าทําไมหัวข้อแห่งการปราตกราธรรมนี้จึงน่าหวาดเสียวเหลือเกิน ปลดชนวนระเบิดแห่งสังคมคล้ายๆกับว่ามันมีอะไรที่น่าอันตรายที่สุดในสังคมนี่นั้งละอย่าตกอกตกใจไปเลยขอใช้ถ้อยคำที่คิดว่ามันเหมาะสมกับกาลเทศะเหตุการณ์ในยุค ป, ปัจจุบันนี้สักหน่อยก็คงจะให้อภัยถ้าเห็นว่าใช้ถ้อยคำนี้ค่อนข้างจะ เฮฟวีหนักหน่วงรุนแรงไปหน่อยใกล้ๆ ไ, ไปทางบ้านทางการบ้านการเมืองไปหน่อยท่านทั้งหลายก็อย่าตกอกตกใจท <c oughs> ําไมอะตมาจึงใช้คำนี้ก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ถ้าหากเราดูความเป็นจริงในโลกไม่ว่าจะเป็นมุมโลกไหน ก็ร้วนแต่มีปัญหาที่น่าหวาดเสียวกันทั้งนั้นในสังคมหนึ่งหนึ่งในประเทศไทยเราในบ้านในเมืองนี้ก็ดีเห็นว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นชวนให้เราคิดพินิจพิจารณาว่าในสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเนี้ยมันมีสิ่งที่น่าหวาดเสียวน่าเป็นห่วงก็คือเหตุการณ ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงกับถึงขนาดว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องระเบิดตูมตามออกมานั่นแหละแต่ว่าสังคมนี้เหมือนเมือนกับจะมีจุดอันหนึ่งที่กาลังซ่อนอยู่ในสังคมแฝงตัวไว้เพื่อจะให้เกิดความแตกเล่าหรืออาจจะแปกแยกกันจนระสมละสายเมื่อกว่า มีกลับระเบิดวางเอาไว้รอเวลาที่จะสุกงอมที่ตั้งไว้จะระเบิดตรูมตามออกมาในบ้านในเมืองในสังคมวราทั้งหลจะต้องมองกันให้ลึกๆลงไปจึงจะรู้จึงจะเห็นว่าบ้านเมืองที่กำลังเรียกร้องหางความเป็นนิกนิกดีบ้านเมืองที่กำลังบูมอย่างเต็มที่ทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาอย่างรุนแรงอย่าง เชี่ยวกลากนี่เองประเทศไทยเราบอกร้องเรียกกันว่าไปโลดกันเป็เลยในนี้แหละมันสั้นเอาชนวนเอาเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างไว้ในสังคมพร้อมที่จะเกิดเป็นความรุนแรงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้คล้ายๆกับคั่วของไฟฟ้าวงจรบวกลบฝ่ายบวกกับฝ่ายลบมันเดินปีคู่กันไปถ้ามันไปประสานกันเมื่อไหร่เป็อันว่าได้ช็อตกัน ท, ทันที มันก็ว่าถูกกับระเบิดวางเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะระเบิดตู่มตามออกมา ท, าทันทีถ้าหากเรารู้ไม่ทันไม่ไปปลดมันออกเสียก่อนมันก็พร้อมที่จะระเบิดทำอันตรายแก่บ้านเมืองแก่สังคมนี่เรามองในในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในแง่วัตถุถ้ามองในแง่ทางนมามธรรมทางจิตใจก็ไปทางนั้นในนี้เราจะเห็นได้ว่าในสังคมของเรา มีคนหลายแนวคิดหลายอุดมการคนแก่จะเอาอย่างหนึ่งคนหนุ่มจะเอาอย่างหนึ่งคน f ฟริกกันขัดแย้งกันอยู่ตลอดจะมีบุญขึ้นมางานหนึ่งในหมู่บ้านคนหนุ่มคนสาวอยากแกะดูหนังคนแก่คนเฒ่าอยากแกะดูหมอลำ ผู้ที่ไฟทําอยากจะฟังเทศในงานเดียวกันนั่นตกลงกันไม่ได้นี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามันมันมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวมันทุกชุมชนบางทีก็เลยเอามันทั้งสามเลยเทก็ฟังหนังก็ดูบุญก็เอาเหล้าก็กิกนหมอลำก็ฟังเพราะมันตกลงกันไม่ได้บ้านน้อยก็เลยเอากันอย่างนั้นถ้า ถ้าคืนต่างคนต่างกับโอบข้างเข้าถูยืนกระต่ายขาเดียวเป็นฝ่ายชนะไม่มีใครเป็นฝ่ายแพ้มันก็ต้องยอมกันไม่ได้แล้วมันก็จะระเบิดตรุมตามออกมาไม่หยุดในอาการที่ราบเรียบนี่อันหนึ่งถ้าหากเราปล่อยให้สังคมเราเป็นอย่างนี้มันก็จะขัดแยงกันก็ระเบิดตรุมตามกันออกมาทีนี้ถ้าจะให้มันเสมอภาคไปด้วยกันอย่างสมมุติว่าบ้านหนึ่งจะมีหมอลำ ชาวบุญขึ้นมาคนหนุ่มมันจะดูหนังหู๋เท่าอูแก่จะฟังหมอลำเสียดายขนมตำเนียบประเพณีเก่าแก่ของตนเองแต่ที่นี่มีอีกคนจำนวนหนึ่งตื่นตัวขึ้นมาอยากจะฟังเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อย่างที่บอกวันนี้มลท่านอาจารย์สมภพไปเทศในงานอยากจะฟังท่านเหลือเกินแต่ในงานนั้นมีกระทั่งกับลำวงกลางวัน ลำวงโต้กันกับเทศกกินเหล้าเมาสะเนาะสะแงะมาฟังเทศขาดอาการกิริยาเคารพธรรมอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันเกิดอุบาทภาษาบาลีว่าอุปทวะแปลว่าขัดแยง้งภาษาไทยเราพูดแปลทับศัพท์เอาไม่แปลเนื้อความแล้วก็บอกว่าอุบาทไอ้อุบาทนั่นแปลว่าขัดแย้งกันภาษาฝรั่งก็เรียกว่าคอนฟลิกต์คอนฟลิชันเป็นมาคอนฟลิกติ้งเป็นมากําลังขัดแย้งกัน ในการขัดแย้งนั้นมันไม่ดีแน่ๆแหละมันจะต้องปีนเกลียมันจะต้องรูดมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งมันก็จะต้องถึงความแตกแยกในความขัดแย้งกันจากแตกแยกหรือบางทีก็ประสานกันไม่ติดระเบิดรวมตามกันออกมาเลยเราจะฝื้นทื่อไปกับความขัดแย้งกันอย่างนี้ดูกันอย่างไม่สนิทตนมกัน่างนี้สังคมหนึ่งๆก็จะไว้วางใจกันไม่ได้ เดี๋นี้บ้านเราเมืองเราในขณะที่เรากำลังจะพัฒนาประเทศชาติเรียกร้องหาความเป็นนิคเป็นความเป็นอุตสาหากรรมนั้นเรามามองดูความเป็นมาทางสังคมสังคมนี้ประเทศนี้บ้านนี้มีพุทธศาสนาเป็นรากฐานมีสถาบันแห่งชาติและพระมหากษัตริย์เป็นโครงสร้าง อยู่ข้างบนอย่างประสานประสมกลมเกินกันชาตินั่นปุ่นเปียกใดคือดังขิงกายาศาสนาคือจังหมากหัวใจให้ชีพยังดำลงไว้มหากษัตริย์ปุนปานหงายสายง่ายเส้นประสาทสามารถพื่อแผ่ศารประสานไหวทั่วกายคนบ่มีชาติเปรียบใดโดยดังตีนมือกุดทขันบ่มีศาสตะนาคือจังหัวศีกุ่นคือจังตานปลายด้วย ตานปลายด่วนงอนง่อยพ่นเห็ดจนโทนหกักบอลเลือเคลือบอกเกี่ยวยืนได้ตั้งแต่ลำมันก็เหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วพุทธสารลัมถูกสำข่คำสอนเห้ทานปีปองเหมือนหากข้างพ่ายพื้นพุทธสาลัมถูกสำข่คำสอนปวงหมู่สังโคขุนจังหากข้างพ่ายพื้นเซนาเหน่าผู้มีขุณอันประเสริฐให้ทานเหลือกคูแก่วปุนไหวดังลำ อมาาดหน่อยเอาไวแอบต่างตาคุณดังเป็นสาขางางามระว่างไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมอยังยอดและดูแฟงฝนฝนหล่นลุ่มทึ่งฮอดแฟฟองตะลบหอดแดนใดซุ่มกนหน้าสั์สอบเชิดเด่โฮมเต่าหนีเปยัตทาแถ่ทำเนียมคุณเปรียบขั้นเป็นหกักบ่มันที่ผ้าตนนุ่มตายอายนองเอ้ยคำกล่าวทั้งหมดนี้เป็นคำกล่าว ของคนโบราณอีสานบ้านเราซึ่งเขียนไว้ในคัมภีร์ไบลานเรื่องคลองบูหานคลองบูหานเรียกว่าคันรองของคนโบราณเป็นระบบโพลิติคไซแอนเป็นระบบการเมืองของคนไทยเราบ้านนี้เมืองนี้อยู่มาได้ด้วยศิลป์ด้วยธรรม ถ, ถึงกับขนาดว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งเป็นชาวพุทธเหมือนกันก็ได้ล้มละลายได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งมั่งค่ากันจนหมดแต่บ้านนี้เมือง น, นี้ก็จืนญยั่มาได้โดยอาศัยอํานาจแห่งพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่บอกว่าพุทธศาส์ล่ําถูกสำคำสอนปวงหมู่สังโคขุคนจังห่างข้างพ่ายพืชพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนรากแก้วรากขวัญของ ต, ต, ต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้น ปเยีบเสมือนประเทศนประเทศชาติทำวิในคำส่งซอนอันถูกต้องดีงามในทางศาสนาเปรียบเสมือนปุ๋ยเสมือนน้ำที่รากคือพระทรงองค์เจ้าจะดูดทรงไปให้ลำต้นกิ่งก้านดอกใบคือประเทศชาติสลําต้นนั้นคือกองกำลังทหารให้ทานเลือครูแก้วปุ่นไหวดังลัาแปลกา อำมาหน่อยเอาไว้เอบกตางตาคุณดังเป็นสาขางางามระวว่างไว้กิ่งก้านทั้งหมดงาของมันเหมือนข้าราชการทุกๆ ก, กระทรวงทบวงกรมที่รวมกันแล้วส่วนใบส่วนดอกส่วนลูกส่วนพ้นนั่นคือประชาชน องค์สัตยไทยหากเป็นจอมยัง่งยอดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นยอดแห่งต้นไม้สูงสาง่างามบ่งบอกถึงความสวยสดงดงามยอดอุดมสมบูรณ์เป็นที่รวมของความดีความงามทั้งหลายองค์รสัตไทยจึงเป็นจอมยั่างยอดแลดแูแฝงฝนฝนหล่ น, น ล, ลุมทึ่ง หมดแ่งตะลบหอดแดนใดซุ่มกับหน้าซัดชอบเชยโฮมเต่านี่เป็นญา ท, ท้าเทะทำเนียมปุ่นเปรียบขึ้นเป็นหากบอมันที่ผ้าตนตุ่มตายทั้งหมดนี้เป็นคํากล่าวที่รี ว, ว่าเป็นระบบการปกครองบ้านเมืองของประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มาตลอดถ้ารากไม่มั่นจะทำให้ต้นไม้ตาย รากไม่ยอมดูดเอาปุ๋ยเอาน้ําขึ้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นกิ่งก้านดอกใบกระทันงยอดพระสองฆอง์เจ้าไม่สามารถที่จะซัพพลายเอาหลักธรรมต่างๆส่งเข้าไปสู่มวลชนเหมือนรากแห่งต้นไม้ไม่ทํางานปุ๋ยจะฉ่าน้ําจะโชกฝนจะตกแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติก็ตาม มันไม่ดูดขึ้นไปให้ลดน้ําเท่าไหร่มันก็ไม่งามต้นไม้ก็จะตายเมื่อรากของมันถูกบันทอนเดี๋ยวนี้บ้านเราเมืองเรารากคือพระสององค์เจ้ากําลังจะไรสมรรถภาพลงทุกทีทุกทีกําลังจะถูกบันทอนเอาละท่านศาสตร์ด้วยจนตั้งหลายอยากเข้าใจว่าอแตามาพูดอะไรมองแต่ในแง่รายเป็นเนก้อตีบอยู่ตลอดไม่ใช่นะ ่ากท่านตั้งหลายให้ฟังให้ดีๆถ้าหากรากไม้ไม่ดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำไปเลี้ยงลำตน้นต้นไม้มันก็ตายหากบ่มันสิผ้าต้นตูมตายใดยนี้บ้านเมืองเราจเจริญทางเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีวันก่อนไปเทศโคราชมาแหม้ไม่ได้ไปโคราชไม่ได้ไปกรุงเทพชั่วระยะเดียวๆเวท่านั้นเองปีหนึ่ง ไปเทพกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วที่ตำหนักสมเด็จก็ยังเห็นไม่เปลี่ยนแปลงพอมาวันนี้ไม่กี่วันเท่านนั่นเข้าโคราชทางถนนมิตรภาพเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปออกทางบุรีรัมนางรองน้องปีอย่าไปเทเพอำเภอกระทกโฉกไ ช, ชนู่นนคขราชจะไปมาบ้านเอ่งนู่นเฮนถนนหนทางใหม่มสร้างกันใหญ่โตเหลือเกินของเลนนู่น นี่มารวดเร็วการสร้างทางวัตถุนั้นรวดเร็วมากบ้านเมืองของเราตะโกนหาคำวันนิจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามรักด้วยการคาโอเคอนุโมทนาสาธุข <c oughs> อประธานอภัยแต่บ้านเราเมืองเรานี้เรามามองดูให้ดีๆเหมือนกับมีกับระเบิดที่กำลังจะระเบิดตรู่มตามออกมาถ้าหากเราปลดไม่ทันพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีที่สุดในโลกในภูมิภาคเอเชียทงของไทยโบกสะบัดอยู่บนยอดทงอยู่บนยอดเสาถ้ำกลางหมู่ทงแห่งอาระยะประเทศอย่างสง่าผ่าเผยซึ่งไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมาตลอดโดยอาศัยอำนาจแห่งพระพุทธศาสนานี่เป็นเบ้าหล่อล้อมดวงใจยามศึกเรารบยามสงบเราสร้างสรรตะหมักสมานสามะขีกัน โดยอาศัยอำนาจแห่งพุทธธรรมนี้เข้าไปประสานนโยบายทางการบ้านการเมืองใช้ระบบการพูดอย่างทันลูกทันคนการบริหารให้ทันตะไม้กับฝรั่งมั่งค่ารวบศูนย์อำนาจทั้งหมดเข้าไปรวมไว้ส่วนกลางเป็นเซนต์ท่านออตโตเตี้ให้ทันตะไม้จากกรุงเทพเวียงออกมากคล้ายกับบริทิชคอมมอนเวลล์ออฟเนชั่นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเป็นต้นมา เราได้พัฒนาประเทศชาติของเราเคียงบ่าเคียงไหลชนิดที่ฝรัลล่งแค่น็อตลุกดาวดูถูกเราไม่ได้เลยพร้อมกันนั้นพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวซัพพลายเอาสติปัญญามันตะมองให้แก่นักการเบืองแต่ละรุ่นออกไปแม้แต่ประชาชนที่ได้รับวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาได้เสริมทราบอาบรถอยู่ในหัวใจของความเมตตาปานีน้าใจไทยแฝนที่ใจเย็น เมื่อสงครามโรคครั้งที่สองเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นมาได้โดยเราเข้าใจว่านั่นเป็นฝีมือของเสรีไทยทั้งครั้งที่ว่าเรานี้ได้ประกาศสงครามาต่อฝ่ายอักษะเราเข้ากับพวกพันธมิตรแต่สุดท้ายพอพอช้ายุโรปยกผงยกคนขึ้นบกประเทศไทยแล้วก็ต่อสู้นิดหน่อยญี่ปุ่นชักธงธรรมจักรขึ้นโดยป้ายบอกว่าพันธุ ation ์บุริสเนชั่นออก a า i ตัดสิน แปล ว, ว่าสันนิบาตชาติพุทธศาสนนาชาวญี่ปุ่นในชาวไทยแล้วก็เป็นพูดเหมือนกันก็เลยบอกว่าไม่ต้องรบราค้าฝัดกันเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศไทยไปตีพมา่าพร้อมกันนั้นเราตั้งเสรีไทยอะไรขึ้นมานั้นในขณะเดียวกันพวกญี่ปุ่นได้ผ่านประเทศไทยไปก็ได้สร้างทางเส้นทางมรณะสายข้ามแม่น้ําแควเข้าไปตีพมา่าโดยประเทศไทยซึ่งเคยเป็น ฝ่ายเดียวกันกับพันธมิตรพวกฝรั่งแล้วก็มาเข้ากับฝ่ายอักษะประกาศสงครามกับพวกฝรั่งนั่นเป็นเอกแผนหนึ่งไม้หนึ่งอย่างไงก็ตามสิ่งที่เราลืมไม่ได้เราไม่เคยพูดถึงกันก็คือว่าเมื่อญี่ปุ่นจับทหารฝรั่งมาทรมานท ร, รมำเคนฆ่าให้ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างกินแต่น้อยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษา ป, ปล่อยให้โซไปฆ่าทิ้งว่ากันว่าฝรั่งตายเท่ากับหมอรถไฟสายนี้ดังกันไปทั่วโลกเลยว่า อีสพานข้ามไปน้าแคว The bridge of river q a i อะไรนะเส้นทางโบราณเรื่องหนังเป็นหนังเรื่องใหญ่โตเลยทหารฝรั่งได้ถูกทรมานทรกรรมหนาวไม่มีเสื้อผ้าใส่เจ็บไข้ไป ม, มียุกยากินใช้แรงงานให้ทำงานเข็นค่าทรมานต่างๆจากทหารญี่ปุ่นในขณะเดียวกันชาวไทยพื้นบ้านพื้นเมืองไม่สามารถจะทนดูความโหดร้ายพาลุนของชาวญี่ปุ่นที่บีตอบฝรั่งไม่ได้ เพรญี่ปุ่นเผอคนไทยด้วย อ, อาศัยอำนาจแห่งพุทธศาสนาทนไม่ได้ต่อความเมตตาปาณีที่เห็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกยากลําบากอย่างนี้เรียกว่ามหาปูริสักรคณังกัลุนาสโหลักษณะที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณาคือมหาบุญรุษคนไทยพื้นบ้านก็ย่องเอาเสื้อผ้าไปให้ฝรั่งที่หนาวเหน็บได้นุ่งไดห่มย่องเอายาแก้ไข้ไปให้ฝรั่งที่เจ็บไข้กิน ย่องเอายาไปใส่บาดใส่แผลย่องเอาผลหมากรากไม้ร่องเอาข้าวปลาอาหารไปให้ฝรั่งทั้งดังที่ทางรัฐบาลก็ประกาศว่าเป็นเข้าฝ่ายอักษะต่อต้านพวกฝรั่งแต่ในที่สดุดพวกคนไทยนี่แหละก็ได้ช่วยพวกฝรั่งที่ถูกทรมานทรมาร์กพอเรื่องมันกลับกันนายพลแมคอาเธอร์ Arthur, ตัดสินใจถล่มระเบิด ปรามนูที่ฮิโรชิมานางาซายิปุ่นต้องยอมแพ้โดยปริยายทันทียกธงขาวยอมแพ้ชิบพายกันไปหมดในขณะที่เจ้านายแพ้แต่ลูกศิษย์ลูกน้องลูกล้อทั้งหลายนี่เขาไม่ยอมฝรั่งเป็นเดือดเป็นแทนไปจับญี่ปุ่นมาไอมาฆ่าทรมานพลกรรมสนตภายสนเขาเหมือนควายเอาใส่โคกตั้ใช้มันทํางานให้เป็นสาสมดังที่ญี่ปุ่นเคยทรมานฝรั่ง คนไทยโดยอาศัยอํานาจแห่งพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะทนดูความโหดร้ายทารุณของฝรั่งที่แบล็กเมล์กับญี่ปุ่นครั้งนี้ได้คนไทยก็ย่องเอาหยกเอายาดไปให้ญี่ปุ่นอีกแล้วย่องเอาข้าวปลาอาหารไปให้ญี่ปุ่นกินย่องเอาเสื้อผ้าไปให้ญี่ปุ่นที่ถูกกัลลามันทรกับนั้นใสเรียกว่าให้ความเมตตาปานีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะทนดูความโหดร้ายได้นี่คืออํานาจแห่งพุทธธรรม เราไม่ค่อยจะจารึกไว้ในประวัติศ า, าสตร์พอสงครามสงบตุ้มคนไทยจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะเพราะเราประกาศเข้ากับญี่ปุ่นแล้วซึ่งครั้งแรกเราเข้ากับฝ่ายพันธมิตรผลออกมาปรากฏว่าคนไทยเราได้เป็นฝ่ายชนะเหนือญี่ปุ่นอยู่ในฝ่ายของฝรั่งเรื่องมันก็เลยกลับกันเจนี่เราก็ยกคุณงามความดีนี้ให้แก่เสรีไทยไปว่าเป็นผลงานของเสรีไทยที่ทํางานใต้ดินอันนั้นก็ถูกเราก็ไม่ว่า แต่ส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยมากที่สุดคือพุทธศาสนาเมื่อทหารฝรั่งที่ไม่ตายจากการทรมานทรกรรมนี้เขากลับไปด้วยชัยช น, นะแล้วเขาก็ไปเล่าต่อเจ้าใหญ่นายโตกแม่ทัพนายกองขวัติที่เขาไม่ตายบา น, นี้เพรอําหนาาของคนไทยช่วยเขามานะคนไทยประกาศเป็น ศัตรูกับฝ่ายพันธมิตรจริงแต่ความเป็นจริงแล้วคนไทยไม่ได้โหดร้ายญี่ปุ่นทรมานโทรกรรมสารพัดอย่างเจ็บไข้คนไทยเอาอยามาให้หิวโอยไม่มีอยู่มีกินคนไทยย่องเอาข้าวมาให้กินไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวหนาวเหน็หนหนนบทรมานโทรกรรมกบคนไทยนี้เลยครับย่องเอามาให้จึงมีชีวิตอยู่ไม่ตายได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเห็นใ่ว่าคนไทยเขาประกาศเป็นฝ่ายอักษรนั้นเขาประกาศโดยวิธีจำยอม เท่านั้นแต่ความจริงใจเขาฝักฝ่ช่วยเหลือเราอยูอ่ตลอดเลยขอให้เจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายได้พิจนารณาดูดีๆคํากล่าวเหล่านี้ของทหารชั้นผู้น้อยก็เป็นกำลังอีกอันหนึ่งไปให้ทหารผู้ใหญ่แม่ทัพนายกองทั้งหลายเห็นพ้องด้วยว่าเออคนไทยเขาประกาศแต่ปากในที่สุดก็ประกาศให้คนไทยเป็นฝ่ายชนะด้วยกับฝรั่ง แล้วพวกทหารเหล่านั้นยังไม่พอใจยังขออนุญาตกลับคือมาเมืองไทยมาสอบมาถามว่าใครเนอเอาข้าวไปให้กินเมื่อหิวใครเนอเอายาไปให้กินเมื่อเจ็บไข้ใครเล่าหนาที่เอาผ้าไปให้รุ่งข่มกันหนาวกันร้อนเมื่อถูกญี่ปุ่นทรมานเทาราไร่ตำคนไทยก็บอกเืบสาวเราเรื่องคนนูน้นบางคนนี้บั่งใดเจอกันในที่สุดก็เกิดความรัก ความรักซึ่งไม่ใช่ความรักที่เพอ้อฝันความรักลมๆเล้ลลงๆความรักที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความชิงชังเช่นวั น, ว, นวาเลนไทน์ซึ่งเป็นการสำรอกออกมาแห่งความเห็นแก่ตัวที่สุดนั้นแต่เป็นความรักที่เตรียมร้นไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ด้วยเมตตาธรรมคนไทยกับฝรั่งเมื่อได้เจอกันแล้วถามหาผู้ช่วยกันแล้วรู้ตัวเข้าในที่สุดก็เลย โกลงรักกันแต่งงานกันผู้หญิงไทยกับทหารฝรั่งเหล่านั้นกลับไปอยู่ที่ประเทศฮอลันดาประเทศเนเธอร์แลนด์นู่นจนในที่สุดเกิดสั ญ, ญลักษณ์ศักดิ์ศรีแห่งความรักอันบริสุทธิ์จากเมตตาธรรมคือมีวัดไทยเกิดขึ้นจากผู้หญิงไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนั่นคืออำนาจอันหนึ่งของผู้สถานาสมแล้วที่ล้นเกล้าราชการที่เจ็ดพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้า เมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็มเมืองใดไร้พาณิตรเลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมสามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยมเมืองใดไรสตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้พานิไร้มณติเลิ เมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยแต่เมืองใดไร้ธรรมอันอัมพาตเมืองนั้นย่อมบัลลัยแน่นอนถูกแล้วถ้าเมืองใดไร้ธรรมอันอัมพาตก็ย่ อ, ยอมบัลลัยย่อมตกเป็นเมืองขึ้นเขาพ่ายแพ้ต่อเข้าไปปราเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นยังไม่เคยบัลลัยถึงขนาดนั้นกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ถูกไฟไหม้บัลลัยเพราะขาดสามเณรขี่ทำเพราะไร้ธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเรากําลัง ประกาศตนเองว่าเป็นนี้กำลังพัฒนากันสุดเพี้ยนแต้ภายในประเทศกับเิอความขัดแย้งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากแก้วแห่งสังคมรากฝอยของสังคมคือพุทธศาสนาคือพระสงฆ์องค์เจ้าเกิดขัดแย้งกันมาเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสนนายเป็นนิกายโน้นนิกายนี้นิกายใหม่นิกายเก่าเข้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ติด กลายเป็นน้ำกับน้ำมันลักษณะเช่นนี้นี่คือ้อนทางแห่งความเสื่อมนี้คือระเบิดเวลาพร้อมที่จะตูมตามออกมาเพราะพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นสถาบันหลักอั น, น, นหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติอยู่ม่ได้คนเคารพนับถือมากถ้าพระทะเลาะกันพระแตกแยกจากกันเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะแล้วประชาชนก็จะแตกกัน เมื่อประชาชนแตกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วหาความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้มีฝ่ายเขาฝ่ายเราเมื่อนันมือที่สามจะโผล่ขึ้นมาชนวนระเบิดนี้จะถูกจุดขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะระเบิดตรูนตามออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอพูดเรื่องถอดชนวนระเบิดแห่งสังคมไทย ให้ท่านดังหลายฟังกันเล่นๆไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่ต้องหวาดเสียววื้ว่าปงรีว่าถ้าหากมันจะชิปพายวายวอดทั้งบ้านทั้งเมืองก็ถือว่าเป็นยุคโชคร้ายที่เราได้เกิดมาพบกันในขณะนี้ก็ปงว่าวัตโก โ, โกโลโกโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปอารมาได้อ่านหนังสือของนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อฟรัง sure, ซัวฮูตาสคนนี้แกเขียนวิจัยวิจารเรื่องสังคม อในเอเชียเรื่องอาาศาสนากับการพัฒนาสังคมเอเชียแกเล่ามาหมดเลยตั้งแต่หูเวียดนามลาวขาเขมรอินเดียสีหลังกา ร, รู้สึกว่าคนนี้แกมองลแล้วไอ้เหตการต่างๆนี่มันเกิดขึ้นในลาวก็ดีในขเขมรก็ดีในเวียดนามก็ดีในสีหลังกาก็ดีในพมา่าในอินเดียก็ดีต่างๆที่เป็นเมืองคุดนะแกมอง แกอธิบายมาว่ามันแตกแยกกันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกกันทางศาสนาเนี่ยศาสนาหมดหมดอิทธิพลไร้แรงขึ้นมาไม่มีเรื่องมีแรงก็เลยหมดกําลังประชาชนแตกกันเป็นฝักเป็นฝา่นฝายเพราะศาสนาไม่มีเอกาภาพเนี่ยแต่มาพูดย่อ ย, ย่เ ง, งี้ยเล่มนี้เป็นเล่มใหญ่ของฟรังชัวร์ฮูตาแก่เกลิลนส์แอนด์เซอร์เซียนออฟเอเชีย ศาสนากับสังคมเอเชียเนะี่ยแกพูดอย่างเงี้ยก็พอจะสรุปได้ว่าประเทศต่างๆที่ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินั้นเพราะว่าศาสนาไม่เป็นเอกภาพสาสนาได้ลดตัวลงมาเพื่อแสวงหาราักระเสียงเยินยอมาเป็นท่ารับใช้ทางการเมืองอีก้วยทีนี้แกมาพูดถึงประเทศไทยซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศใดในโลกแกบอกว่ า, วา ยกเว้นกรณีพิเศษในเอเชียคือประเทศไทยประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครตลอดกาล น, นั้นเพราะอํานาจของพุทธศาสตนามีส่วนช่วยมีเป็นสายตาของฝรั่งนะไม่ใช่สายตาของเราแต่ฝรั่งเป็นจำนวนมากแหละอย่างโปรเฟเอร์ฮาร์วีค็อกส์นี่คนหนึ่งแล้วก็โจเซฟแอนสตันนี่อีกคนหนึ่งพวกเหล่านี้ที่มาเขียนใน คื่อมาเขียนตำรับตำราให้แก่คณะพัฒนาบริหารบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ทึ่เราตั้งขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยเมื่อสิบยี่สิปีพวกนี้มาเขียนบทความมาเขียนหลักสูตรโดยอาศัยพื้นฐานทางพื้นเดิมของประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาโจมตีศาสตร์ศานาพุทธวาศาสตนานี่เป็นตัวรลีาร์ด เป็นตัวทวงความเจริญของประเทศชาติแต่ฝรัง่งคนที่พูดถึงนี้ก็พูดก่อนนั้นเองครับอกว่าประเทศไทยอยู่ได้มารอดนั้นเพราะพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษดําเนินนโยบายทางการเมืองโดยอาศัยอํานาจคำสัง่งสอนในทางพุทธศาสนานี้เองและก็บอกว่าเหตุให้ประเทศไทยรอดมาได้อย่างน่าอัศาจรรย์นั้นคือหนึ่งพระสงฆ์ในประเทศไทยไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่เข้าไปก้าวกายไม่เข้าไปเล่นการเมืองง่ายๆพระสงฆ์ในประเทศไทยในอดีตตลอดการไม่เข้าไปเล่นการเมืองฟังให้ดีเดี๋ยวนี้เรากําลังจะลากพระสงฆ์เข้าไปเล่นการเมืองพระสงฆ์เองกำลังจะโดด ล, ลงไปเล่นการเมืองเองเป็นฝักแป็นฝ่ายนี่เขาบอกว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษคือหนึ่งพระสงฆ์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองสองพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์รุกราชเจ้าบงสนับสนุนพระสงองค์เจ้ากิจการพระศาสนาปล่อยให้พระสงคง์เจ้าเจริญพระธรรมวินัยศึกษาค้นคว้าแล้วพระราชาก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาพระธรรมวินด้ไว้ให้บริสุทธิ์ครบถ้วนเรว่าพระสงฆ์ไม่เกี่ยวข้องกับกับการเมืองโดยตรงไม่ไม่เป็นอินเดเรกไม่เป็นไดเรกส์ไดเรกชันแต่มันเป็นอินเดเรกคือมันไปทางอ้อม โดยอาศัยหลักคํานั้นสอนตั้งแต่ผู้ที่ปกครองและก็ผู้ที่ถูกปกครองให้สอดคล้องกลมเกินกันได้อย่างสวงามหนึ่งพระสงฆ์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองสองพระมหากษัตริย์สนับสนุนพระทรงฆ์องค์เจ้าให้ประพฤติทธรรมประพฤติวินัยและก็สนับสนุนการศึกษาของพระสง์ข้อที่สพยายามอย่างยิ่งคือให้รักษาพระธรรมคําสั่งสอนของเทราวาวในประเทศไทยนั้น ได้บริสุทธิ์ถูกต้องชัดเจนนี่ก็มีคําว่าเทราวาส์อีกด้วยนะพราเรายังเข้าใจเทราวาส์มหายานอะไรกันน้อยไปเทราวาส์คือของเก่าแก่ดั้งเดิมอย่างพวกเราเนี่เอาละทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราเราไม่เชื่อฝรั่งก็ได้แต่เรามาพิจารณาดูว่าตลอดเวลาอ่าพระสงฆ์องค์เจ้าในในประเทศไทยของเรานี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงแต่เดนนี้มีจดหมายมาถามเยอะ ไปปาทะกะทาหลายแห่งและพวกปัญญาชนมักจะถามว่าทําไมพระจึงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองความจริงพระควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเห็นไหมพวกสันติอโศเขาโดนลงมาเขาบอกว่าพระควรเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ควรจะปล่อยปะละเลยให้การเมืองนี่เป็นไปตามเวรตามกรรมพระควรจะเป็นปุโลหิตให้แก่การเมืองจนจนึงตั้งพักพลังทำอะไรขึ้นมาอาตมาได้รับคําถามนี้บ่อยๆและก็เลยมาคิดขึ้นมาได้ว่าเออนี่ ถ้าหากเราจะดึงพระลงไปสู่การเบืองหรือพระโดลงไปเล่นการเบืองเองระวังให้ดีๆนั่นพร้อมแล้วที่จะระเบิดตรมตามออกมาพร้อมแล้วระวังให้ดีๆจงทอยออกมาห่างๆพุทธศาสนาไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาไม่ใช่ซ้ายสุดเวียงไม่ใช่ขวาสุดขอบแต่พุทธศาสนานี่ไม่ใช่แคดิทัลิสไม่ใช่คอมมิวนิสไม่ใช่ Social ist, แต่มันจะเป็นบุ d ติสต์ออนเดอ d มิดเดิลวาขออภัยพูดเป็นภาษาฝรัง่งไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาไม่ใช่ลัทธิทุนนิยมไม่ใช่ลัทธิคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอะไรผู้ศาสนานีจะต้องเป็นพุทธศาสนาโดยปฏิปทาอันเป็นกลางโดยทางสายกลางนั่นเองเขาไปเกี่ยวข้องได้ทั้งนั้นแต่เกี่ยวข้องโดยวิธีอินเดเรกไม่ใช่บดบเข้าไป เดี๋ยวนี้พวกเรากําลังจะดึงพุทธศาสนาเอาผ้าทรงองค์เจ้าเข้าไปเป็นแกมต่างเล่นการเบืองนั้นแหละคือจุดตายของพุทธศาสนาในประเทศไทยและบ้านนี้เบืองนี้เราพยายามกันเลอกเกินที่จะสร้างเงื่อนไขให้ผ้าทรงองค์เจ้าเข้าไปเล่นการเบืองดูคําถามที่ถามมาในหนังสือในจดหมายนี้รู้สึกว่าจะต้อนมุมซ้ายมุมขวาให้พระเข้าไปจนกรอบบอกว่าในสมัยพุทธเจ้าท่านก็ยังเดินเข้าไปสู่การเบือง ทุกรูปแบบท่านจะต้องไปเกี่ยวข้องแม้แต่แยกน้ํากันในโลหินีเอาละถ้าจะมองอย่างนั้นก็จงมองให้ซึ้งให้ลึกซึ้งลงไปว่าสมัยพระพุทธเจ้านั้นก็มีการปกครองทางการเมืองได้พัฒนามาอย่างเต็มที่คือระบบสันถาคาระบบรัฐสภาอย่างพวกกษัต ร, ริย์ชวีอย่างพวกวัชชีอย่างนี้แล้วก็การปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพวกลิมิติสมนาคีเอฟชลุสมนาคีอันหนึ่ง เด็จการโดยพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวแล้วก็พวกสันถาขคานสามัคกีีรรมที่เราเรียกทุกวันนี้ว่าเดโมแครตหรือประชาธิปไตยนี่ต่างกันเป็นเทอ ม, มเลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหารโลกมีระบบการปกครองแบบนี้แหละในสมัยพุทธเจ้าก็เกิดมีมาแล้วสิบหกแควนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระราชาเป็นใหญ่นั่นเยอะแล้วก็มีแควนน้อยๆที่ปกครองอย่างมี ศั ก, กยภาพที่สุดเลยแคว้นใหญ่ๆอย่างมคตตีไม่แตกถึง16ปีโดยเขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสามัญคีธรรมทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาแม้ตัวพระพุทธเจ้าของเราเองท่านก็เกิดในวงแห่งกษัตริย์สากยะที่ปกครองแควนศักกะอันเป็นเมืองขึ้นของกอสนแต่เมืองนี้ปกครองโดยระบอบสามัคีธรรม โดยระบอบปลาชาธิปไตยมีสันถาคานมีรัฐสภาอย่างประเทศไทยเราทุกวันนี้แต่เมื่อท่านออกมาบ่นแล้วท่านจะรู้อนุตลาสัมมาสัมโพธิญาณท่านมีบริวารมีพระสงฆ์องค์เจ้าไปจํานวนมากท่านส่งพระเข้าไปเผยแผ่พระศาสนาเจรธาพิขเวจารีกังพมจริยังปากาเตะทัพหุจนหิตายพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายอาอัถายหิตายสุขายะ เทวามนุษสาหนังมาทาวเอเวเอเกนะขมยิฐถมหมายก็ว่าเธอทั้งหลายจงที่จะริบไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เ พ, เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันทั้งสองคนพ่ะเรามีน้อยเธอทั้งหลายจงไปประกาศพมมาจําคือแบบแห่งการปฏิบัติอันเบิเสริฐให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐ์ทั้งปยัญชนะทั้งเทคนิคและวิชากาน ทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าให้ไปช่วยเป็นนักการเมืองแต่ให้ไปสอนคนทุกคนไม่ว่าเขาจะปกครองระบบ ก, การเมืองใดไม่ว่าเขาจะเป็นแค่พิตาลิสเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นลิบินิสโมนาคีหรือว่าเขาจะเป็นเดโมแครตพระสององเจ้าสอนทำมาให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งนั้นและตนเองไม่ใช่แไปออบไซน์ site, เข้าไปอยู่พรรคโนนพรรคนี้ เป็นแนวโน้นเป็นแนว น, น, น, น, วนี้ถ้าอย่างนี้ได้ตีกันตายประเทศไทยมีพระดังๆเยอะหลวงเตียหลวงเสีย่ยหลวงนาองคนู้นก็จะเข้าพักโน้นองนี้เข้าพักนี้สนับสนุนบางองค์มีเงินหลายร้อยล้านทุ่มเข้าไปช่วยในะการเมืองเอาและสิทธิเอาอะไรมาเป็นเอกภาพผู้สาธารณะในประเทศไทยมีระบบการกระทําอย่างนี้พระสงฆ์องค์เจ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสวดเวียงในการเมืองอย่างนั้นแต่เอาคําสั้งสองของผู้โดยเจ้านั้นเข้าไปใช้ ในระบบการเมืองได้ทุกระบบยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างพระพุทธเจา้าท่านเดินไปในรัฐใดที่ปกครองโดยบุคคลคนเดียวที่เรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือบิชชิสมอนาจีหรือว่าบิชชิเอฟโทรลุสมอนาจีผมนึกคนคนเดียวปกครองคนจํานวนมากพระพุทธเจา้าแทนทีท่านจะบอกว่าเอออย่างนี้มันไม่ดีนะมันต้องใช้คนลหลายๆคนมาช่วยกันปกครองช่วยกันคิดท่านก็บอกว่าอย่างนี้ดีนะ แต่คุณจะต้องมีธรรมคือทศพิตรราชจะทำมีคำสิบ ป, ประการในใจของคุณคุณจะบริหารได้ดีมะ้งทานังศีลังปริจาคังมุพวงอาชาวังอย่างนี้ตับอตับปังอโกหังอวิหิงสังอวิโลทนังขันติงอย่างนี้หมายเขาว่าเป็นผู้มีการให้เป็นผู้มีการควบคุมกายวาจาให้ดีให้งามเป็นผู้มีการศีรละ ความรู้สึกจากจิตจากใจเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้ไม่โกรธ เ, เ, เ, เป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่สอบพีรุธเป็นผู้มีความซื่อตรงเป็นผู้มีความอ่อนหวานเป็นผู้ไม่เบียดเบียนถ้าคุณมีอย่างนี้คุณปกครองคนเดียวได้บริหารประเทศชาติได้ดีมากเพียงแต่คาว่าอาโกทางไม่ตรงโกรธถ้าโกรธขึ้นมาแล้วมันจะบริหารได้อย่างไร คนคนเดียวบริหารทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าไม่พอใจใครโกรธขึ้นมาก็สั่งมาตัดคอไม่มีคําว่ามุขทวังอ่อนหวานไม่มีคําว่าอาชวังซื่อตรงใจโบโซดาด้วยบอแมนกะเป็นพิจใจโบโซดาดอมบ่าดีกะเป็นหายนักกันนั่นเพี้ยนผากคร่อมถนอมหากกระดอมเน่าขมกับหวานปานอ้อยบันเทสซั่งตาหน่อยบ่อยจากแหล่เล้ยวเวิร์งนำเพ่นหวานจ่อยๆกะก้อยบ่หวานขมเน่ึงจะเอาอะไรมาเป็นความเป็นธรรม ถ้ามีทำสิบประการแล้วมันจะไม่เลือกที่รักมักที่ช่างมันจะบริหารอย่างถูกต้องพระบูธาจารยท่านบอกดีนะถ้าปกครองโดยคนคนเดียวอย่างนี้ก็ชุงทำอย่างนี้ต้องมีทำสิบประการแต่เวลาใดท่านเดินเข้าไปสู่รักที่ปกครองโดยระบบะประชาธิปไตยสามัคคีทำมีระบบสันถาคานมีระบบะพวกสภารัฐสภา พระ อ, องค์ก็บอกว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีดี ด, ดีแต่ว่าพวกคุณทั้งหลายจะต้องมีธรรมเจตประการเรียกว่าอปริหานิยธรรมมันประชุมกันเนืองนิดมเมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลอิกพร้อมเพียงกันเลิกไม่ใช่หม่อมเวลาประชุมแล้วไม่มีการพูดเรื่องงบประมาณแล้วก็ขาดประชุมกันหลงเหลงเวลามีงบประมาณมากๆมีอะไรจะไปบินนานจะไปเถียงกันกินจึงมีเยอะอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อประชุมพร้พอมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันทํากิจที่เกิดขึ้น อย่างนี้แล้วก็เคารพผู้หลักผู้ใหญ่บุตริสมาชิกอาวุโสต่างๆรักษาอุลนาลีทั้งหลายไม่ให้ถูกเบียดเบียนอย่างคุุวันนี้คาตามโสเพนีดเด็กก็มีอย่างนี้ทำให้พ่อแม่คู่มีความรักลูกจะมั่นใจกับเสถียรภาพของรัฐบาลการบริหารสักแค่ไหนเดี๋ยวลูกเราก็จะหายเข้าไปสู่ห้องกระจกอะไรต่างๆมันบีความน้าใจพ่อแม่มันประชุมกันเดิอนิด เมื่อประชุมพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกพร้อมเพียงกันเลิกความเพียงทำกิจที่เกิดขึ้นเขารบผู้รักผู้ใหญ่และเหมาะเขารบอนุสาวรีย์คุณงามความดีทำพลีกรรมแก่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็รักษากูระนรลีทั้งหลายจะให้ถูกคมขืนกระทําชำเราแล้วก็เคารบต่อสมณพัฒน์นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเทศบ้างในรัฐสภาอะไรต่างๆเตือนจิตตะกิตใจให้สติอะไรทั้งนี้ ท่านบอกว่าดีคุณต้องมีคุณทําแบบนี้มันก็ไปกันรอดแขวนลิชฉวีพวกตระสัตรฤชวีแขวนวัดฉีได้ปกครองโดยระบบนี้พระพุตรญาณเดชสอนอย่างนี้เมืองมหาอํานาจอย่างราชคืออย่างมคดใช้กองกําลังทหารตั้งหกแสนคนมากกว่ากําลังทหารในประเทศไทยปัจจุบันเขาไปตีเมืองนิดน้อยนี่สิบหกตียังไม่แตกเวลาจะแตกก็ยุค ใ, ให้ลําต่ําให้รั่ว วางกลับระเบิดยุให้แตกกันทีเดียวก็แตกกระจุยนี่มันสำคัญที่สุดอีตรงนี้ประเทศไทยก็เลยได้ใช้ระบบนี้พระพุทธเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องทุกระบบการเมืองแต่ท่านไม่ได้เข้าไปออบไซน์ว่าฉันอยู่พักนี้ฉันเห็นดีด้วยอย่างนี้อย่างอื่นผิดท่านไม่ว่าอย่างนั้นอีทางสัจจโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดพักนี้เท่านั้นดีที่สุดพักอื่นมันใช้ไม่ได้ พระสองคอ์จะเป็นปุโรหงปุโรหิตอะไรเข้าไปให้เล่นกันสุดเหวี่ยงอย่างนี้มีหวังพังภาพแน่ๆประเทศชาติเพราะพระไม่ใช่มีเราคนเดียวมันมีหลายองค์องค์หนึ่งก็มีไอเดียอีกอหนึ่งเมื่อฟรีไมอิสระอย่างนี้ฟรีสไตล์กันอย่างนี้พระก็โดดเข้าไปสี่หลวงเตีย่ยหลวงพ่อหลวงนาเสียใหญ่ๆนี่เขาเรียกหลวงเสียแล้วนะมีรถกัน หลายคันมีเงินกันหลายสิบล้ายร้อยล้านฝากธ น, นาคารก็ยังมีถ้าเกิดท่านเหล่านี้เล่นมั่งละอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นพุทธเจ้าท่านเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ท่านไม่ออฟไซน์ท่านไปทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายใครก็ได้แต่ท่านให้ทำมะแต่เวลาท่านปกครองท่านเองระบบการเมืองของท่านขาดมาร์กอย่างตามไม่ทัน กาปรปกครองพระสงฆ์ไปจํานวนมากท่านตั้งพระวินัยขึ้นมาจัดระบบชีวิตและระเบียบแห่งสังคมคือระบบชีวิตของพระระเบียบสังคมของพระนี่มันยิ่งกว่าคานมาร์กเสอีกที่จะทำภิกษุมีอัติเลกใจไตจีบวลมีผ้าเกินสามผืนเก็บไว้เกินสิบวันต้องอบับตินิสคีบาจิตีนิสกีไปว่าซาลัดออกไปบาจิตีผิดไปแล้วผ้านี้คุณก็ต้องเอาคืนไป เอาคืนไปไว้เป็นของกลางเป็นพันธาคาลิกเป็นคอมบูนอิสครไม่มีโอเคอธิษฐานใช้เอาเพราะฉะนั้นพระจึงมีผ้าเกินสามเปิดไม่ได้อย่างอาดามาี่ผ้าจีบรนที่ห่มคุมไี่้บวชมาสี่พันธะแล้วผืนที่สองนี่ยังไม่ขาดเดี๋ยวนี้มีรอยหน่อยๆสองรอย 200, ก็เข้าใจว่าตั้งใจว่าจะเอาไปปักมันอีกใช้มันจนขาดจนหมดแล้วจึงจะนุ่งใหม่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ให้องค์อื่นหมดไม่ต้องซื้อต้องขายวันก่อนพระประเทศลาวมา ท่านบอกทุกยากลําลบากท่านเคยเคารพท่านเคยฟันเทศฟังอะไรท่านเคยมาศึกษาทำด้วยอยู่ท่านบอกว่าข้ามมาแล้วก็อดอยากอ่ไรมาจัดผ้านิยมถวายมาอย่างนี้เจ็ดปลอาฝากไปคุณเอาไปแล้วไปฝากครูบาอาจารย์คุณด้วยวันดีคืนดีเผื่อผมมีโอกาสไปพักผ่อนที่ประเทศลาวมันเหนื่อยเลอเกินอย่างนี้เขาก็ดีใจไม่ได้ซื้อได้ขายอย่างนี้เรียว่าสงเคราะห์ัน ถ้าสงฆ์จ้ามีอัติลเละเกินนี้ไม่ได้ไป ม, มีส่วนเฟอร์ไป ม, มีส่วนเกินไม่แต่การดูการกินเนวัตวายานมทายานามนานายานบีภูษนายะไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อโปรกแต่งให้เกิดกําลังพลังทางกายไม่ได้กินเพื่อให้บังเกิดความอิ่มจนอึดอัดจนเกิดความกําหนัดยินดีแต่กินเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ไม่ได้กินให้เกิดความเมาหมันไม่ได้กินเพื่อประดับไม่ได้สูบดมอมเคี้ยวส่วนเฟอร์ส่วนเกินดยงนี้ เขาว่า play living h ง g h อยู่อย่างต่ําทำจิตใจให้เรียบง่ายทำจิตใจให้สูงส่งมีบาทมีจีวรเท่านั้นกินข้าววันละมืออย่างที่วัดยังมีโอกาสไปบริจาคเลือดอีกด้วยทุกๆสามเดือนพระสงฆ์จะต้องไปบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลเยี่ยมคนไข้อีกด้วยเวนคืนให้แก่สังคมเราไม่มีส่วนเกินแต่พร้อมกันนั้นเราก็มีโอกาสที่จะทํางานให้แก่โลกแก่สังคมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ แล้วเราจะไปเล่นการเมืองมันทําไมเพราะนั้นพระสองฆ์องค์เจ้าจะต้องเป็นประโยชน์ให้แก่การเมืองผู้ภาคผุกฝ่ายให้เขานําหลักธรรมไปใช่ไม่ใช่ว่าไปออบไซน์นั้นพระพุทธเจ้าท่านปกครองสงฆ์นี่ท่านปกครองชนิดที่ว่าเป็นคอมมูนยิ่งกว่าคอมบริทมีผ้าเกินตามเผือไม่ได้ต้องไปไว้เป็นของกลางเป็นคอมมูนอิสุมเป็นพวกพันธาคาลิกไปหลังจากนั้นนี่ในแง่วิในนะในแง่ทําลึกกว่านั้น ยิ่งกว่าอบพินเตออีกนิสตโตนิชีโวซุนโยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข า, ว, าว่างว่างว่างว่างจากความหมายแข่งความมีตัวตวนว่างจากแอดแทสออนคอนเซปชันอะไรต่างๆเนี่ไม่มีอย่างนี้ใครจะทำได้เล่าแต่การที่ท่านจะระบบการปกครองสองนั้นไม่ใช่ว่าทำให้ชาวบ้านต้องมาเอาอย่างอย่างนี้ เพราะชาวบ้านยังมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวยังเกลื่อนกลลไปด้วยทาตบริวารด้วยเงินด้วยทองยังดิ้นรนยือ้อยังสวัสดิ์ฮะจะให้มามีชีวิตอยู่อย่างพระมีผ้าสามพื้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกกาละเทศะพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนฉลาดไม่ใช่คนซื่อบื้อซื่อบื้อธรรมดาธรรมดาจะตีรวดกวาดเพียงให้คนไปอย่างนั้นการที่ท่านปกครองสงให้มากน้อยสันโดษ ใช้แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีเรือ น, นั้นเวีนคืนให้สังคมนั้นมันก็ถูกเพราะว่าพระสองฆ์องค์จักไม่มีลูกไม่มีเมียศรัทธาอาคารสม า, านานคารียังปภชิตังเราออกบวชแล้วด้วยศรัทธาจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนแล้วแม้แต่อาหารการกินฝากชีวิตไว้กับชาวบ้านนี่ลักษณะเช่นนี้คือการปกครองสองนั้นไม่เป็นซ้ายไม่เป็นขวาแต่มันพอดีกับคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียจะามาใช้ในชาวบ้านมันก็ไม่ถู่เอะเนี่ย เพราะฉะนั้นระบบการปกครองอะไรต่างๆพุทธเจ้าได้สอนไว้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราจะลากพระให้ไปเล่นการเมืองอยานะยานะนั่นนะกำลังจะเดินเข้าไปสู่จุดตายแห่งพระศาสนาแห่งบ้านเมืองเพราะพระไม่มีเราองค์เดียวมีอีกหลายองค์เธอสมมติว่าถ้าพราเล่นการเมืองได้เต็มที่ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เข้าใจไหม ถ้าเกิดบูชาประชาที่ประยจจนเฟอ้อเกิดมีคอมมินนอกคอมมินิ์อะไรบุกเข้ามาบอนทําลายต่างๆพระสงฆ์องค์เจ้ายังเป็นหัวใจของสังคมไทยอยู่เกิดใครคิดเออเอาพระนี่เป็นแกนนำในการเมืองก็ทุ่มทุนให้สักห0 0ร้อยล้านสักพันล้านโอ้หลวงเสียหลวงเตีย่ยทั้งหลายก็จะเชิดตั้งค่าใหญ่ึกอรมกันใหญ่ออฟไซด์กันอย่างเต็มที่ทีนี้ถ้าเกิดพวกเข้ามาทางนี้อีก เออฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อประชาธิปไตยก็ทุ่มเงินมาใต้ดินให้แก่หลวงเสียหลวงนาอีกสักองค์หนึ่งที่ท่านเด่นๆ ด, ดังๆท่านองค์นี้ก็ออกมาอีกสุดเหวียงและอะไรจะเกิดขึ้นเล่าในที่สุดมหาชนเคารพองค์ไหนก็ว่าไปตามองคนั้นแล้วมันก็จะแตกกันเป็นเอกภาพไม่ได้ต่างฝ่ายเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเส้นเป็นสายหาความสมัครสมานสามะขี่กันไม่ได้รัฐบาลทําอะไรไม่ได้ ในที่สุดสเสถียภาพก็สันคอนจะทําอะไรเจ้าจะจัดการก็ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจะจะเอาอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอย่างนี้ในที่สุก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเหยียบเหยยีบเรือสองแคมจะทําฝ่ายหนึ่งก็รังอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปเอามาสังคมนี้ก็แตกกันเมื่อศาสนาไม่เป็นเอกภาพทางศาสนาสังคมประชาชนไม่เป็นเอกภาพเมื่อนั้นเป็นโอกาสของของตาอยู่พอดีเลย อะไรจะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานั้นอยู่รอดมาเพราะพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่ที่ไม่ปรารถนาดีต่อประชาธิปไตยนี้เข้ามาทํางานคุกคามในประเทศไทยทั้งตั้งปี 2,469 นู่นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยซ้ําไปแต่เขาทําไม่ได้เขาเข้ามาเจาะแนวในภาคอีสานเป็นดินแดนที่ทุกยากแห้งแล้งไกลห่างจากศูนย์การปกครอง เกียรติยงให้เกียรติชังรัฐบาลว่าปล่อยปะละเลยไม่สนใจต่างๆนาน า, น า, นาต้องการให้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตีรวดกวาดเพียงให้มันสม่ำเสมอกันเรายากจนมาพอแล้วเมื่อขอบฟ้าสีทองพองอ่ำไผประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่ไหนได้คนไทยเราเชื่อไม่ได้มากดอกคนไทยเรายังเชื่อกำในทางพุทธศาสนากรร ม, มโยนิกามพันธุกรร ม, มปฏิสารโนมือหาดิวเน่าสันบอทอบกัน ไม่ใหญ่หน่อยเดยละดาดเป็นหันร่วมกันเป็นดงสูงโมกาญุงย่างเสือมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทั้งลุมพัดยังมีภูมิหน่อยทั้งพื้นจอจีใหม่โมนี่แมนซีหางไก่กันความสะพันมันมีหากดูนํากันได้ฟุงมูยุงย่างใหม่ใบนาก็เป็นหม่มให้แก่สุ่มโมหน่อยทั้งพื้นให้สุ่มเย็นพัวโมหน่อยก็คือดังเดียวกันที่ร่วมกันเป็ดปกคุมให้สุ่มเย็นทั้งเหงาให้แก่ลูคโคเถ่ามาหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายปากดังกัน สังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันไอหน่องเอ้ยแมนซื้อรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันได้คือดังสาขาใหม่ในพายเป็นตัวอย่างอาศัยรรมพระเจ้าสมานเขาวางกลางเมนิสุกผูกยากไข่เข้าหาแม่นนาคคนแมนซื้อรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันไหวคือจังเฮือข่าแก่เกียนเห็นให้เกียนแก่ง่ามมาไปห่อ น, น้ำเพื่อเสด็แก่เกียน อันนี้คือปรัชญาการปกครองระหว่างคนรวยและคนจนเอาธรรมะประสานกลางคนรวยเป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดคนจนเป็นสัตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาสังคมประชุมชนตนเองไม่ใช่เป็นคนจนที่บูชาอาบายามุขขี่เกียรติทําการงานซื้อเลขซื้อหวยอยากจะรวยทางรัฐรักสกจกห่อข้าเจ้าเอาของกินเหล้าเมา ย, ยาไม่เอา อย่างนี้ซึ่งงมเราอยู่มาได้เหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยมันอยู่ได้กันได้จะให้คนเป็นอันเดียวกันเป็นไม่ได้ในที่สุดคราวนี้ก็ต้องมาผิดหวังว่าประเทศไทยนี้มันติดกำแพงศาสนาต้องไปประชุมกันใหม่เอายังไงทายืดประเทศไทยได้แล้วก็สามารถยึดช่องแคบมารกามีอำนาจเหนือน่านน้ำทั้งแปซิฟิกและอินเดียแต่เราทำไม่ได้เพราะคนไทยมีสถานในศาสนามากในที่สุดก็ต้องไปตีย้อนมาจาก เหนือลงมาเลยดมิโ น, โนซิเต็มล้มหนึ่งสองสามไล่มาจากทิเบตก่อนจากทิเบตได้ก็มายึดเวียดนามใต้มายึดลาวเขาฮาเมนและก็มาติดกึ๊กที่ประเทศไทยประเทศที่ผ่านมาที่เล่ามานะั้นล้วนแต่เป็นพี่น้องชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นแล้วทํำยังไงเมื่อมาถึงประเทศไทยนี้ปฏิบัติการเมืองล้อม บ, บ้านปลาล้อมเมืองเขาก็ปราบด้วยทหารนําการเมืองปฏิบัติการเมืองล้อมป่าเขาก็ปฏิบัติการการเมืองนําการทหารตอบโต้ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนสร้างเขื่อนน้าอ่างคูคลองให้ประชาชนทำมาหากินได้สร้างรอสอปชลูกเสือชาวบา้านพลังมวลชนเกิดขึ้นนั่นก็ทําอะไรไม่ได้ทีนี้ก็มาทบทวนใหม่มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทําได้ถ้าไปเข้าไปสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งไม่ได้สถาบันทางมวลชนทางการทหารทางการเมืองเขาโอ้แข็งพอมีสถาบันเดียวคือพระสงฆ์เอาอยัางไงทํายังไงพระสงฆ์แกแตกกัน ถ้าพระสงฆ์แตกกันแล้วเมื่อ น, นั้นประชาชนก็จะแตกกันเป็นก๊กเป็นเหลา่าความสามัคคีกันไม่ได้อันนี้ระวังให้ดีชะนวนแห่งระเบิดอยู่ตรงนี้ระเบิดเวลาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่พระแตกกันถ้าแตกแตกันเพราะอะไรไม่ยากสักหน่อยเลยถ้าทำให้พระแตกกันเดี๋ยวนี้พนระสงฆ์องค์งเจ้าของเราขออาภัยนะไม่ใช่รุนแรงพวกที่ย่อนจนยานนี่พวกหนึ่ง ยอนจนยานชั้นชาวเองฉันเพนนอนตกเย็นมาดูดังดูงละคณโดราัสมันเซวนาทิถุงวจุ่มกันแกนจะเอามุมไหนว่ากันอย่างนี้เหมือนชาวบ้านมีแต่ยากได้อย่างมีอยากเป็นไม่สนใจความเป็นอยู่ของประเทศชาติบ้านเมืองไม่สนใจการประพฤติสินสมาธิปัญญาอาธิศินสิกขาอาธิจิตติสิกขาดิปัญญาสิกขาปีทั้งชาติเดินจงกรมสักก้าหนึ่งนั่งประมาธิให้ชาวบ้านเห็นบ้างเป็นตัวอย่างไม่เคยมี5อย่างนี้นี่คือพวกที่ย่อนจนยาน ที่นี้อยากให้มันแตกกันก็ไม่อยากสร้างพวกเคร่งขึ้นมาจนคลั่งเอาสิไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่ใส่รองเท้ากินมังสวิรัตเคร่งคัดระเบียบขึ้นแล้วก็โจมตีตรงไหนมีช่องว่างก็เจาะแนวลงไปพวกเข่งจนคลั่งขึ้นมาตอกลิ้มพวกหย่อนระจนยานให้มันแตกกระจุยโจมตีเข้าไปพิมพ์หนังสือส่งเข้ามาปูกระดม นังสือดีๆกระดาษสีสีออฟเซ็ตนนเอาเงินเอาทองมาจากไหนก็ส่งเข้าไปสิไม่ต้องซื้อแจกให้ฟรีๆถ้าอย่างนี้ได้ผลคนที่หวังดีต่อประเทศชาติต่อสังคมโดยไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งก็เห็นดีเห็นงามพระต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีสินตั้งแต่ข้อที่หนึนไม่ต้องกินเนื้อกินป้าแหมยอยังมียอดพระเลยอริยะแท้ๆพวกนั้นยังเป็นจักเป็นมารตีเข้าไปพวางยนสุดเวียงนี่ ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเป็นมาอย่างนี้เวลาศาสนาจะพังก็คือพวกที่หย่อนจนยานและก็จะเกิดมีพวกเคล้งจนขัางเข้ า, ขามาต่อกลิ้มในสมัยพุทธกาลนูล่นมีมาแล้วไม่เชื่อลองไปเปิดดูพระไตรปิฎกวินันปิฎกเล่มที่เจ็ดสังฆเพขะขันทะตะอยู่ในวินยัยปิฎกจุลวัคภาคสองพระพุทธเจ้า ป, ปกครองสองมาอย่างดี พระเทวทัตด้วยความยากใหญ่ยากดังนั้นเองอยากจะมีอํานาจวาตนะอภิสิทธิ์อิทธิพลทํำยังไงคนจะนับถือก็แสดงฤทธิ์ต่างๆครั้งแรกคนก็นับถือต่อมาคนก็รู้จักมากขึ้นในที่สุดก็พยายามจ้างคนไปฆ่าพระพุทธเจ้ากอไม่ตายจ้างนายกวนช้างปล่อยช้างมาเหี้ยก็ไม่ตายตนเองเป็นดักปกิ่งก้อนหินไส่ก็ไม่ตายเอแล้วทํำยังไงที่นี้หมดปัญหาหมดปัญญาที่จะทำได้ ในที่สุดท่านก็มีเสนาธิการหัวดีๆคนน่งชื่อว่าพระโกกาลิกะแหละพระกตมโมรกะกติสกะนี่พระคันทเทวีบุตรนี่พระสุมาพระสมุทท ต, ตะนี่สีอสอส่องนี้แหละเป็นเป็นเสนาบดีสี่องนี้แหละเป็นเสนาธิการวางแผนทํำยังไงก็จัดการเลยตังเลื่อนไขให้มันเคร่งซะจนข้างสร้างวัดถุก้าประการขึ้นมาหันไปเปิดพระใดปีดกเพสม สังกเกตเพจขันทักกวินัยปีดกจุลวัคภาคสองพระวินัยปีดกเล่มที่7จข้อที่ส8 3้แปดสิบสาหน้าที่หนึ่งร้้าสิบฉบับภาษาบาลีหรือฉบับภาษาไทยก็เอาเป็นว่าเล่มที่เจ็ดหน้าที่สา3้อยแปดสิบสาพระเทวทัตได้เข้าไปทุนขอวัดผุคห้าประการโดยได้รับคำปรึกษาอย่างเรียบร้อยมั่นใจว่าจะต้องทาได้กับพระพุทธเจ้า บอว่ามาเธอท่านทั้งหลายเราทั้งหลายจะเข้าไปฟ้องพระสมณโคดมและทูลข้อวัตถุห้าประการขอเอาวัตถุห้าประการว่าพระภุมีภาคเจ้าตัดคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยความสันโดษความขัดเกาาความกำจัดอาการที่หนาเลื่อมไซการที่ไม่สังสงการปรารบความเพียรโดยะเนกปริยายพระพุทธเจ้าขา้า วัดภูห้าปาการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษความขัดเกาาความกําจัดอาการที่หนาเลื่อมไซและการไม่สั่งสมการปรัตธนะความพี้ยนโดยอเนกปริยายข้าพระพุทธเจ้าขอประธานพระโรกาสภิกษุทั้งหลายพึงเป็นผู้ถืออาการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตรูปได้อาศัยอยู่บ้านโลมนั้นจะต้องโค่นี่ข้อหนึ่งข้อที่สองภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้เที่ยวบินธบาดเป็นวัดถ้าไปกินที่เขานิมลต้องอาบัต ข้อที่สามให้ถือผ้าบังสกุลเป็นวัดใครถวายเป็นพื้นพื้นไปรับเข้าเป็นอาบัติข้อที่สภิกษุทังหลายต้องอยู่โคนไม้เป็นวัดถ้าไปนอนอยู่ที่บุงที่บังต้องเป็นอาบัติข้อที่ห้าภิกษุนั้นจะต้องเป็นผู้ไม่พึงชันเนื้อและปลาตลอดชีวิตรูปใดฉั้นเนื้อฉันปลาติ่งได้มีชีวิตแล้วท่านต้องโทษพระสมณโคดมจักต้องเอาอย่างนี้หันไหวอย่างนี้พระโกริกาก็ออกหัวเลยว่า ท่านทั้งหลายพวกเราสามารถเพื่อทําสังกเพศจั ก, กรเพศแก่พระสมณโคดมโ ด, ดวยวัตถุห้าประการนี้แน่ใช่ก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะมนุษย์ทั้งหลายย่อมจะเลื่อมใสในความปฏิบัติที่เศร้าหมองของพวกเราสักตาโคอาวุโสอิเมหิปัญจหิวัตถุหิสัมมานาสโคดามสสังกเพศโทกาตุงแก้ว่าอย่านี้มันจะต้องทําให้แตกสมณโคโดมนี่จะต้องทําสังกเพทของท่านให้แตกแน่ๆจั ก, กรเพศโธลูคัปสั้นนา ที่อาวูโสมนุษย์ซาติว่าอย่างนี้อาษาบริว่าอย่างนี้ท่านทั้งหลายพวกเราสามารถเพื่อทาสรงฆเพศจักรเพศแก่สมณโคดมด้วยวัตถุห้าประการนี้แน่นอนเพราะมนุษย์ทั้งหลายจะต้องเลื่มใสในการปฏิบัติที่เศร้าหมองพูดอย่างนี้ในที่สุดก็ไปเสนอพระพุทธเจา้าบอกโอ้ไปเสนออย่างนี้เราอนุญาตใครจะบิณฑบาตเป็นพัดก็ได้แต่มีใครในิมน์ที่บ้านก็อชันได้ชีวิตหนึ่งอยู่กับชาวบ้าน ไอ้จะอยู่ป่าเป็นวัดเราก็อนุญาตถ้าจะอยู่บ้านเขาสร้างวัดสร้างวาให้ก็อยู่ได้เราก็ไม่ว่าอะไรจะอยู่ก็ได้จะอยู่ปา่าไอ้จะอยู่โคนไม้เป็นวัดเราอนุญาตแปดเดือนอีกสี่เดือนฝนตกมามันจะเกิดแอมโมเนียปอร์ดบวมตายอยไปอยู่นะเอาไว้เงียบเอกรีตีพระบังสกุลเป็นวัดใครจะถือก็ได้แต่ถ้าใครถวายเป็นพื้นคุณจะใส่ก็ได้คุณจะรับก็ได้ไงเป็นส่วนเฟ้อส่วนเกิดเป็นช่ได้แต่ข้อที่ห้าไม่มีข้อแม้ถือไม่ได้เด็กขาดก็คือการกินเนื้อกินปลานี่แหละ การกินมังสวิรัตเนีย่ยพูดง่ายๆบอกไม่ได้เพราะว่าชีวิตเรานี่อยู่ในกำ ม, มือของชาวบ้านเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราอนุญาตให้โคนไม้เสนาสนะนี่แปดเดือนส่วนส่วนปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจอันนี้เราห้ามเหมือนกัน <c oughs> ส่วนถ้าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจโอเคไม่เป็นไร ส่วนการกินเจกินมังสวิรัติไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยเป็นเรื่องดีทั้นนั้นแต่อย่าเอามาโจมตีกันถ้าเอามาโจมตีอย่างนี้แน่นอนนี่คือการตอกลิ่มให้การแตกสลายในทางพระธรรมวินัยนี้ทุกขบวนการที่เคยเป็นมาในสมัยพุทธกาลนู่นพระรงองค์เจ้าจะแตกกันหรือว่าคู่แข่งของพระพุทธศาสนานี้ก็คือการกินเจนี้เองไม่เชื่อท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่ห้า เล่มที่ห้าในเพสขันธกะเรื่องหยูกยาทานังศีหเสนาบดีได้ทำมาจากสุดได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าซึ่งศีนะสีหเสนาบดีนี้เป็นลูกศิษย์ของนิคนพวกที่กินเจกินมังสวิรัตมาตลอดในที่สุดแกก็เลยทําอาหารเลี้ยงพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมพร้อมด้วยพิกษุทั้งหลายแล้วก็ใช้ให้มหาเล็กนี่ไปซื้อเนื้อสดที่เขาขายทําอาหารมาถวายฉันแล้วก็ให้พิกษุทั้งหลายดีได้อิ่มมีพิมันด้วยเนื้อนี่แหละ ข่วงนี้คนทั้งหลายได้ยินข้าวขวจมตีเลยบอกโอ้โหสีหักเสนาบดีซื้อเนื้อตัวอุ่นอ้นอาอ้นอ้วนเนื้ออ้วนมาฆ่าพวกสมณะเหล่านี้ก็ยังกินอยู่ทําไมล่าพวกนี้ไม่มีความบริสุทธิ์เลยโจมตีพระพุทธเจ้าสีหัเสนาบดีแกได้ยินแกก็ไม่พูดชาวบ้านมาบอกแกบอกว่าพวกนี้คนเหล่านี้เขาจ้องจะโจมโจมตีอยู่แล้วพอเสร็จแล้วท่านก็ไปบอกพระพุทธเจ้าเมื่ออีกแล้วว่าเขาโจมตีอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเอ้ย ทางเขาเถอะเราไม่อนุญาตแต่เนื้อโดยส่วนสามนั่นไอ้เรื่องเหล่านี้ก็เคยโจมตีกันมาตลอดในสมัยพุทธเจ้าเรื่องเนื้อเรื่องปามไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกวินัยปีนดกเล่มที่ห้าเพศขันธกะข้อที่แปดสิบหน้าที่เก้าสิบเก้าบรรทัดที่สิบแปดตรงที่เสหะตีหะเสนาบอดีสั่งให้อมัดไปซื้อเนื้อนั่นไม่เชื่อลองไปเปิดดู แล้วไปเปิดดูเล่มที่ห้าอีกข้อที่แปดสิบเอ็ดหน้าที่หนึ่ง้อยสามพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงหนวกหูอือ้อๆเลยถามพระอนุวันวั น, นเสียงอะไรเสียงสับเนื้ออยู่ในวัดมันมีเสียงการ้องแต่ก่อนการมันเยอะทุกวันนี่ก็ยังเยอะในประเทศอินเดียมันมาอยากเกะกินเนื้อด้วยลักษณะเช่นนี้มีอยู่แล้วก็อุบาลีวาทส่วนมันจะมาปนนามัจะมาในกาพไตรปีดกเล่มที่สิบามข้อที่แปดสิบสองหน้าที่เจ็ดสิอันนี้ยิ่งใหญ่เลย หัวนหน้าของนิคนผู้ใหม่กินเนื้อกินปลา ก, กินเจกินผักนี่แหละเอาอุบาลีซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่เคารพนับถือมากวันหนึ่งอุบาลีเนี่ยได้ฟังการโต้วาทากันระหว่างนิคนบางคนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดเลื่อมใสใหญ่เลยก็ไปหาพระพุทธเจ้าไว้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าและเลื่อมใสในที่สุดก็ปฏิ ญ, ญาณตนถือพระพุทธประธรรมประสงค์เลิกการนับถือแบบพวกนิคนพวกกินเนื้อกินปลา ก, กินเจ น, นี่แหละ พระพุทธเจ้าก็บอกเอ้ยแกเป็นคนสําคัญนาการเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจดิไม่ใช่เรื่องเล็กๆคิดใหม่เต้ทาไมต้องมาเปลี่ยนใจนับถือเราเร็วๆง่ายๆอย่างนี้แกก็ยิ่งนับถือใจพระพุทธเจ้าบอกว่าอุบาลีแต่กูลของเธอนั้นเหมือนกับบ่อน้ําของพวกนี้คนหลายชั่วโค้นแล้วได้นนับถือมาเมื่อเธอนับถือเราแล้วเธอก็อย่าลืมใส่บาตให้พวกนี้คนนะใส่บาตจะเลือกให้เขาด้วยสนับสนุนเขาแต่นายอุบาลีนี้ไม่ฟังดอก พอเช้ามาปิดประตูไม่รับพวกนี้คนเลยเอาอาหารไปไว้ข้างนอกให้คนใช้ขะเขามาก็ใส่อย่าให้เขาเข้ามาในบ้านฉันยกเว้นสัมณสากรยบุตรลูกสิของพุทธเจ้าแล้วเข้ามาได้พวกน้คนทั้งหลายผิดหวังไปบอกหัวหน้าทุกคนพูดอย่างนั้นนิคนเสียใจบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทีอุบาลีจะเป็นอย่างนั้นอุบาลีนั่นเป็นไปไม่ได้ต้องพระสมณะโคดมมานัทถืออุบาลีไม่เชื่อเราขอไปดูเองพอเข้าไปก็เข้าบ้านไม่ได้ในที่สุด เราสั่งให้คนใช้บอกว่าเรามาเองนี่หัวหน้าเลยนี่คันทะนาทบุตรนะอุบาลีก็เปิดให้มามาถึงกก็ชี้หน้าด่าเลยแกนี่มีดวงตาไปเขาควักลูกตามีลูกกระโปรงไปเขาเขาทับลูกกระโปงเขาตอนหำมานอนางโจโลยิสมะโงแท้นี่พระเจ้าไอ้ท่านอุบาลีก็ไม่ได้ว่าอะไรพอนิคคนด่าจนเหนื่อยสาวกของนิคคนก็มาเต็มในที่สุดนีคคนก็บอกว่าเอา้า เธอประกาศได้แล้วว่าเธอยังนับถือสมณโคโดมหรือนักถือเราต่อหน้าประชาชนจำนวนมากให้มันชัดเจนประกาศที่อุบาลีลุกขึ้นประนมมือหันหน้าไปทางวัดของพุถุจารแล้วก็กล่าวว่าเตนะิพันเตสุโนหิดูก่อนท่านผู้เจริญขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้า ยศสาหังซาบาโกพกระขวารข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์นั้นทีรัะเป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาวิจักรรมโมหัตระผู้ประาศจากแล้วซึ่งโมหปะปพินกีรัติผมมีเสาเขือนอันตึงจิกอันหักแล้วโค้งไปจนถึงสิบถึงร้อยบทยกย่องพระพุ้นัเจ้าสุดท้ายบอกว่ายศสาหังสาวาโกพกระขวาติข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั่นต่มหังปะกวรรณตั้ง ศิลาสานามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมน้ำพสการพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวต่มาหังพระวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพูดจบนี้คนผู้เป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าเจกราเลือดเสียใจตายนี่พระเทวทัตก็อีรอบเดียวกันเมื่อไปขอวัตถุห้าประการไม่ได้พระพู้ด้เจ้าไม่อนุญาตก็โจมตีใหญ่ว่าพระพู้ด้วยเจ้านี่ละล้วม บอกคนอื่นให้ขัดเก่าตนเองยังกินเนื้อกินปลาเป็นยักษ์เป็นมารประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองนักบวชใหม่ลหลงไหลแตกไปด้วยห้าร้อยคนพระโมกขลาสาลีบุตรตามประเทศให้ฟังเอากลับมาเทวทัตเสียใจรากเลือดนี่พวกกินเจรักพี่ ของนิคนของเทวทัตนั้นมีทิศผิยึดมั่นถือมั่นในอุปทานที่ถูกปารทานของตนเองมากอีกทั้งสัจจงโมคะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดเมื่อตนเองสู้ไม่ได้เสยียใจมากความเสยียใจทําให้หัวใจเต้นถีบปอดฉีเลือดออกมาแลงหัวใจฉีดเลือดแรงในที่สุดเส้นเลือดที่มันไหลจากปอดจากหัวใจมันก็แตกเลือดทะลักออกที่ปากโลหิตอุ่นอุ่นทะลักออกที่ปากตายในพระไตรปิฎกไม่เคยบอกว่าเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ แต่พวกเราบอกถูกแพดดินสุปที่นั่นแกเสียใจเพราะลูกศิษย์ลูกค้าแกกลับใจได้แกไม่ยอมกลับเพราะมันได้ลงลึกแล้วก็เสียใจลากเลือดอาจเจียนเพราะนั้นระวังให้ดีนลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันยังไม่ระเบิดบ้านเมืองตนเองจะลากเลือดตายซะก่อนจงเข้าใจไว้ให้ดีๆ<ล>อย่าพากันเคร่งซะจนข้างอย่าพากันหย่อนซะจนยานจงอยู่ทางสายกลางปดชนวนระเบิดให้ทันมิฉะนั้นเคร่งจนข้างตอกลิมหย่อนที่ยานนั้น ในที่สุดบ้านเมืองไม่เป็นเอกภาพจะแตกกันและจะถึงจุดอวาสานของสังคมไทยมือที่สาจะ